บทที่หนึ่งความสมบูรณ์แบบและความรู้สึกผิดก้อนอีกที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน หลังจากการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช2526นั้นเราก็หมดตัวและเป็นหนี้โดยที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆแม้แต่เพิงที่อาศัยได้บนที่ดินผืนนั้นในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเราต้องอาศัยนอนอยู่บนบ้านประตูกเก่าๆที่ซื้อมาถูกๆจากคนขายของเกา่า เราหนุนบานประตูเก่าๆนั้นให้สูงขึ้นจากพื้นดินด้วยกอนอิฐเราไม่มีแม้แต่เบาะนอนนั่นก็เป็นของแน่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นประปานท่านเจ้าอาวาได้บานประตูที่ดีที่สุดเป็นบานประตูเรีเรยบ ส่วนบานประตูของอาตมาเป็นชนิดที่มีบัวแถมยังมีรูขนาดใหญ่พอควรอยู่ตรงกลางตรงบริเวณที่เคยติดลูกบิดโชคดีนะที่เขาถอดลูกบิดออกไปแล้วแต่เจ้ารูนี่ก็ยังคงอยู่เกือบจะ ก, กลางเตียงประตูของอาตมาทีเดียวอาตมาเคยพูดตลกๆว่า อาตมาไม่ต้องลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำหรอกนะความจริงที่แสนหนาวก็คือว่าลมสามารถพัดกรูผ่านเจ้าโรนี่มาถึงตัวอาตมาทำให้อาตมาไม่ค่อยได้หลับได้นอนในช่วงค่ำคืนเหล่านั้นพวกเราเป็นพระจน ที่ต้องการอาคารที่พักอาศัยแต่ไม่มีกําลังซั์พอที่จะจ้างช่างก่อสร้างได้ค่าวัสดุต่างๆก็แพงเกินพอแล้วอาตมาจึงต้องเรียนรู้ว่าเ้าทำงานก่อสร้างกันอย่างไรเตรียมฐานรากอย่างไรตลอดจนถึงการผสมคอนกรีตการก่ออิฐ ก, การตั้งหลังคางานประปาและทุกๆอย่างก่อนจะบวช อาตมาเคยเป็นนักฟิสิกส์ทริฎดีและเป็นครูโรงเรียนมัธยมผู้ไม่เคยคุ้นกับการใช้แรงงานด้วยมือทั้งสองนี้เพียงไม่กี่ปีอาตมา ก, กลายเป็นช่างก่อสร้างที่มีฝีมือไม่เบาขนาดที่จะสามารถเรียกคณะทำงานของอาตมาได้ว่าบริษัทพุทธก่อสร้างเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BBC ย่อมอาจาก บุตดิ Building Company แต่ขณะที่เริ่มต้นนั้นมันช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นเอามากๆการก่ออิฐอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่ปกปู ล, ลงไปแล้ววางก้อนอิฐแต่ด้านนี้ทีด้านนั้นทีให้เข้าที่ตอนอาตมาเริ่มก่ออิกใหม่ๆอาตมาแต่กดมุมหนึ่งลง เพื่อให้ได้ระดับอีกมุมหนึ่งปรับยกขึ้นเพราะอาตมากดด้านที่ยกขึ้นนั้นให้ลงมาอีกก็เริ่มแตกแถวแตกแนวหลังจากที่อาตมาดันมันให้กลับเข้าที่มุมแรกก็เริ่มสูงเกินไปอีกแล้วโยมลองทนดูสิ พระอาตมาจึงมีความอดทนและมีเวลาที่จะทำงานได้โดยไม่จำกัดอาตมาจึงทำงานอย่างประณีตที่สุดโดยไม่สนว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเท่าใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอิฐทุกๆ ก, ก้อนจะถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในที่สุดการก่อกำแพงอิฐแผงแรกของอาตมาก็สำเร็จลง อาตามาก้าวถอยออกมายืนชื่นชมผล ง, งานในช่วขณะนั้นแหละที่อาตามาสังเกตเห็นโอ้ยอาตามาก่ออิดพลาดไปสองก้อนอิด ก, ก้อนอื่นๆเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมีแต่เจ้าอิดสองก้อนนี่แหละที่เอียงเอียงทำมุมกับแนวอีกก้อนอื่นๆดูมันแย่มากๆเลยมันทําให้กําแพงทั้งแผงดูไม่ดีเลยขณะนั้น ก่ออีกก็แข็งเกินกว่าที่จะสามารถดึงอีกออกมาก่อใหม่เสียแล้วอาตมาจึง ก, กราบเรียนท่านเจ้าอาวาสขอทุบ ก, กำแพงเพื่อเริ่มต้นก่ออีกใหม่อีกครั้งหรือถ้าจะให้ดีก็อยากจะระเบิดมันทพังไปเลยอาตมาก่ออีกไม่ดีและอาตมาก็รู้สึกอับอายท่านเจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้หรือ้อกำแพงนี้จะต้องคงอยู่ เวลาอาตมาพาแขกเยี่ยมชมวัดที่เริ่มตั้งใหม่ของเราอาตมาพยายามหลีเลี่ยงที่จะพาแขกเดินไปทางกำแพงนั้นอาตมาไม่อยากให้ใค ร, ใครเห็นมันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สามสี่เดือนขณะที่อาตมากำลังเดินอยู่กับผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นกำแพงนั้นแล้วก็เปลยขึ้นมาว่ากำแพงนี่สวยดี อาตามาถามเขาด้วยความประหลาดใจว่าคุณลืมแว่นสายตาของคุณไว้ในรถหรือเปล่าสายตาคุณเสื่อมหรือเปล่าคุณไม่เห็นรู้ว่ามีอิดทั้งสองก้อนที่วางไม่ดีจนทําให้กําแพงนี้เสียหายหมดคําพูดที่เขาตอบอาตามานั้นได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งหมดของอาตามาต่อกำแพงนั้นต่อตัวอาตามาเองและต่อหลายๆแง่มุม ขเขาบอกอาตมาว่าใช่ผมเห็นอีกที่วางไม่ดีสองก้อนนั้นแต่ผมก็ได้เห็นด้วยว่ามีออีกอก้ารอยก้าสแปดก้อนก่อไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบอาตมาถึงกับอึ้งทีเดียวนับเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน ที่อาตมาสามารถมองเห็นอิฐ ก, ก้อนอื่นๆบนกำแพงนั้นนอกเหนือจาะเจ้าสองก้อนที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นอิฐที่อยู่ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาของเจ้าอิฐสองก้อนนั้นล้วนแต่เป็นอิฐที่ก่อไว้อย่างดีไม่มีที่ติยิ่งไปกว่านั้นจำนวนอิฐที่ดีนี้ มีมากกว่าเจ้าอิกไม่ดีสองก้อนนั้นมากมายนะก่อนหน้านี้ตาของอาตมาจับจ้องเฉพาะแต่ที่อีกสองก้อนนั้นตาของอาตมามืดบอดต่อสิ่งอื่นทั้งหมดอาตมาจึงไม่อาจทนมองกำแพงนั้นได้และไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้เห็นกำแพงนั้นด้วยเป็นเหตุให้อาตมาอยากจะทลายกำแพงนั้นทิ้งเดี๋ยวนี้ เมื่ออาตามาสามารถเห็นอิดดีๆแล้วกำแพงนั้นก็ไม่น่าเกลียดอีกต่อไปมันก็เป็นเหมือนกับที่พุ้มาเยี่ยมคนนั้นพูดกำแพงนี่สวยดีเดี๋ยวนี้กำแพงนั้นก็ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปยี่สิบปีแล้วอาตามาเองก็ลืมเสียแล้วว่าเจ้าอิดไม่ดีสองก้อนนั้นมันอยู่ตรงไหนแน่ อาตมาไม่สามารถเห็นจุดผิดพลาดนั้นจริงๆมนุษย์เราสักกี่คนที่ตัดสัมพันธ์หรือหย่าร้างเพียงเพราะเขาเพ่งมองเห็นแต่อีกที่ไม่ดีสองก้อนที่อยู่ในตัวคู่ชีวิตของเขาพวกเรากี่คนที่เคยรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังจนอาจจะเคยคิดฆ่าตัวตายเพียงเพราะเรามองเห็นแต่อิฐที่ไม่ดีสองก้อนในโต๊ะของเราทาั้งๆที่ในความเป็นจริงมีอิฐที่ดีและอิฐที่ดีจนไม่มีที่ติมากมายอยู่เคียงข้างส่วนที่บกพร่องไม่ว่าจะมองไปทางข้างบนข้างลา่างข้างซ้ายข้างขวาเพียงแต่เรามองมันไม่เห็นเท่านั้น แทนที่จะเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่สายตาของเรากับเพ่งมองจดจ่อเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดที่เราเห็นมีแต่สิ่งผิดพลาดจนเราคิดอยากจะทําลายมันทิ้งเสียมันน่าเศร้าจริงๆที่หลายครั้งหลายคนเราได้ลงมือทลายกาแพงที่ดีนั้นไปจริงๆเราทุกคนย่อมมีก้อนอีก ที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อนแต่ละคนก็ย่อมมีก้อนอิดที่ดีจนไม่มีที่ติดจานวนมากมายกว่าข้อปกคร่องหลายเท่าเมื่อเรามองเห็นมันแล้วสิ่งต่างๆก็ดูจะไม่เลวร้ายนักไม่เพียงแต่เราจะสามารถอยู่กับตนเองและข้อผิดพลาดบางประการของเราได้อย่างสุขสงบแล้วเรายัางสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับสามี หรือพันรยาของเราด้วยนับเป็นข่าวร้ายสำหรับตรนายความผู้เที่ยวช่างเรื่องการย่าร้างแต่เป็นข่าวดีสำหรับโยมอาตมาได้เล่าเรื่องสั้นๆนี้หลายครั้งช่างก่อสร้างคนหนึ่ง ที่ได้ฟังเรื่องนี้ได้มาพบอาตมาเพื่อบอกความลับเกี่ยวกับงานก่อสร้างเขาบอกว่าช่างก่อสร้างอย่างเราเรานี้มักจะทำสิ่งผิดพลาดได้เสมอเพียงแต่เราจะบอกลูกค้าของเราว่ามันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีบ้านใดในละแวกนั้นมีเหมือนแถมเรายังเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสองสัมพันเหรียญอีกด้วยฉะนั้น มันเป็นไปได้ที่เอกลักษณ์พิเศษจะมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดในทํานองเดียวกันถ้าเพียงแต่โยมจะเลิกมองจดจ้องอยู่เฉพาะแต่ข้อผิดพลาดสิ่งที่โยมเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องในตัวโยมในตัวสามีหรือพันรยะของโยมและในชีวิตทั่วๆไปอาจจะกลับกลายเป็นลักษณะพิเ ศ, เศษเฉพาะตัว ที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของโยมนะ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 อาจารย์อาวุโสรูปหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมสวนนี้ท่านเดินทางมาถึงแต่เช้าตรูห่หลังพระอาทิตย์ขึ้นท่านต้องการจะค้นหาว่าเพราะเหตดใดสวนนี้จึงได้ชื่อว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากแก่ผู้มาเข้าชมท่านถึงซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่บริเวณที่มองเห็นสวนได้เป็นอย่างดี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 หลังจากที่ท่านได้นำขยะไปเทที่กองขยะหลังวัดแล้วท่านหยุดพักเพื่อดื่มชาและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับขั้นตอนสำคัญลำดับต่อไป<า>พระหนุ่มใช้เวลาอีกสามชั่วโมงบรรจงวางใบไม้แต่ละใบ และกิ่งไม้แต่ละก้านลงในที่ที่เหมาะสมในสวนอย่างมีสติด้วยความเอาใจใส่ประณีตและเชี่ยวชาญถ้าท่านยังไม่พอใจกับการวางนั้นท่านก็ขยับมันไปมาด้านนั้นนี้ด้านนี้หน่อยจนกว่าจะปรากฏรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจนั่นแหละท่านจึงจะเลือกใบไม้ใบใหม่ที่มีรูปร่างและสีสันตรงใจท่าน วางลงในที่ที่เหมาะสมในสวนต่อบไนความเอาใจใส่ในรายละเอียดของท่านนั้นยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนความเชี่ยวชาญในการจัดสีและรูปลักษณ์ของท่านนั้นเยี่ยมยอดความเข้าถึงความงามของธรรมชาติของท่านสูงส่งนักเมื่องานของท่านเสร็จสิ้นลง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 ความขยันของคุณคู่ควรแก่การยกย่องสูงสุขและส่วนของคุณก็เออส่วนของคุณก็เกือบจะสมบูรณ์แบบหน้าของพระหนุ่มสีดขาวลงทันทีร่างกายของท่านเกร็งขึ้นมาราวกับโดนแมงป่องต่อยรอยยิ้มแห่งความทนมตนวูบหายไป ในประเทศญี่ปุ่นผู้ใดจะประมาทพระชาราผู้มีใบหน้าเตือนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาไม่ได้เป็นอันขาดด้วยความวิตกกังวลพระหนุ่มตะกุกตะกักถามว่าท่านหมายความว่าอย่างไรครับที่ว่าเกือบเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ท่านหมายความว่าอย่างไร แล้วท่านก็หมอบราบลงแทบเท้าพระอาวโซท่านผู้รู้ท่านอาจารย์ขอรับโปรดเมตตากระผมเถิดพระพุทธองค์คงส่งท่านมาแน่ๆเพื่อจะชี้แนะกระผมให้ตกแต่งส่วนนี้ให้งดงามสมบูรณ์แบบที่สุดโปรดสั่งสอนผมด้วยท่านผู้มีเมตตา โปรแสดงให้ผมดูได้เถิดพระอวสูรถามว่าท่านต้องการให้ผมแสดงให้ดูจริงๆหรือหริวรอยบนใบหน้าชาราของท่านบอกว่าท่านพร้อมจะให้บทเรียนที่ไม่ธรรมดานะขอรับขอรับท่านผู้รู้โปรแสดงเถิดขอรับ จึงก้าวจับจับเข้าไปตรงกลางสวนลำแขนเหีวๆแต่อย่างแข็งแรงของท่านโอบรอบต้นพลัมใบดอกนั้นแล้วด้วยเสียงหัวเราะเยี่ยงนักบุญท่านเขย่าต้นไม้ที่น่าสงสารนั้นราวกับจะวิ่งปีศาจออกมาจากมันใบไม้กิ่งไม้และเปลือกไม้ร่วงหล่นเกลือนกลาดท่านเขย่าแล้วเขย่าอีก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 ด้วยอาการชื่นชมในผลงานของท่านเองอย่างวริสุดใจและแล้วด้วยรอยยิ้มที่สามารถละลายความโกรธของพระนุ่มลงได้ท่านกล่าวอย่างนุ่มนวลกับพระนุ่มว่าบัดนี้ส่วนของท่านงดงามสมบูรณ์แบบแล้ว ที่ทําแล้วก็เสร็จแล้วฤดูมรสุมในเมืองไทยเริ่มตั้งแต่เดือนก ร, รกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมในช่วงเวลานี้พระสงฆ์จงงดเว้นการเดินทางวางมือจากงานทั้งหลายและอุทิตเวลา เพื่อการศึกษาและภาวนาเราเรียกช่วงเวลานี้ว่าช่วงเข้าพรรษาที่ปักใต้เมื่อหลายปีก่อนท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ท่านกำลังก่อสร้างสลาหลังใหม่ในบริเวณวัดป่าของท่านเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษ า, าท่านก็ระงับการก่อสร้างและส่งช่างก่อสร้างลัด บ, บ้านเพราะนี่เป็นเวลาของความสนุกในวัดของท่านสองสาวันต่อมาผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่งเห็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างไวคง้ครึ่งกลางนี้จึงกราบเรียนถามท่านว่า ศาลาหลังนี้จะสร้างเสร็จเมื่อใดโดยไม่มีอาการลังเลท่านจเจ้าอาวาสตอบว่าศาลาหลังนี้สร้างเสร็จแล้วศาลาหลังนี้สร้างเสร็จแล้วหรือขอรับผู้มาเยี่ยมคนนั้นถามแล้วก้าวถอยห่างออกมาเขาคิดคำนึงในใจว่า ท่านหมายความว่าอย่างไรนะหลังคาก็ยังไม่มีประตูหน้าต่างก็ไม่มีสักบานไม้และถุงปูนยังกองไปทั่วท่านจะทิ้งไว้อย่างนี้หรือท่านเพียงหรือนี้ท่านหมายความว่าอย่างไรแม่เพื่อใหแน่ใจก็กราบเรียนถามท่านอีกครั้งว่าศาลานี้เสร็จแล้วหรือขอรับ ท่านจะเอาวาสผู้จะรายินและตอบอย่างอ่อนโยนว่าเท่าที่ทำแล้วก็เสร็จแล้วแล้วท่านก็เดินจากไปเพื่อไปภาวนานี่เป็นวิธีการคิดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถหยุดเราจากการงานทั้งปวงเพื่อเข้าภาวนากรรมฐานมิฉนั้นแล้วงานที่เราต้องทำจะไม่มีวันเสร็จสิ้นได้เลย สวนทวนทุกอาตมาเล่าเรื่องเท่าที่ทำแล้วก็เสร็จแล้วให้ผู้ฟังกลุ่มใหญ่เมื่อวันศุกร์หนึ่งที่เมืองเพิร์ดวันอาทิตย์ต่อมามีผู้ปกครองคนหนึ่งมาต่อว่าอาตมาอย่างโกรธเคืองเขาได้ไปฟังอาตมาพูด พร้อมกับลูกชายวัยรุ่นของเขาเย็นวันเสาร์ลูกชายต้องการจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเพ่อนพ่อถามลูกว่าลูกทํากันบ้านเสร็จแล้วหรือลูกชายตอบว่าอาจารย์พร้มสอนพวกเราที่วัดเมื่อคืนไงครับพ่อเท่าที่ทําแล้วก็เสร็จแล้วผมไปละครับ อาทิตย์ถัดมาอาตมาจึงเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งผู้คนส่วนมากในประเทศออสเตรเลียมีสวนอยู่ในบริเวณบ้านแต่น้อยคนนักที่จะสามารถหาความสุขสงบได้จากสวนของเขาสำหรับคนอื่นๆสวนก็จะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เขามีภาระจะต้องดูแลดังนั้นอาตมาจึงสนับสนุนให้พวกที่มีสวน รู้จักแบ่งเวลาที่จะทำงานเพื่อบำรุงดูแลความสวยงามของสวนและใช้เวลานั่งเงียบๆอย่างสงบสุขในสวนของตนชื่นชมของควันอันงดงามจากธรรมชาติอันเป็นการบำรุงดูแลจิตใจของตนด้วย เบาบัญญาคนแรกพอใจมากกว่าคิดนี้เขาตกลงใจจะทำงานเล็กๆน้อยๆทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะให้เวลาแก่ตนเองสักชั่วครู่ที่จะดื่มดาความสงบสุขจากส่วนของเขาแต่ในที่สุดสนามหญ้า ก, ก็ต้องตัดต้นไม้ก็ต้องได้รับการรดน้ำที่ดีใบไม้ร่วงๆก็ต้องปล่อยทิ้ง ห ม, หมายก็ต้องเล็มทางเดินก็ต้องกว่ามันแน่อยู่แล้วที่เขากลับต้องใช้เวลาว่างทั้งหมดที่เขามีเพื่อจัดการกับเศษเสี้ยวของงานเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเหล่านั้นงานของเขาไม่มีวันเสร็จสิ้นโยมเคยสังเกตไหมว่าในสังคมเรานะบุคคลที่จะได้พักผ่อนอย่างสงบนั้นจะหาได้เฉพาะในสุสานเท่านั้น เบาบัญญาคนที่สองคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนเบาปัญญาคนแรกมากเขา อ, อกคราดและกระป๋องรถนาไปเก็บเสียแล้วนั่งในสวนอ่านนิตยสารที่อาจจะมีรูปภาพของธรรมชาติบนกระดาษมันๆนั้นแต่มันเป็นความเพลิดเพลิอนอยู่กับนิตยสารไม่ใช่การหาความสุขสงบจากสวนของเขาคนเบาบัญญาคนที่สาม เรื่องมือทำสวนทั้งหมดรวมทั้งนิตยสารหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตลอดจนวิทยุแล้วก็นั่งลงในสวนที่สงบนั้นเพียงแค่สักสองวินาทีเขาก็เริ่มคุ้นคิดว่าถึงเวลาต้องตัดหญ้าแล้วลนะ่ะไม้พุ่มนั้นก็ต้องเล็มในไม่ชานี้นี่ถ้าเราไม่รดน้ำดอกไม้พวกนั้นสักสองสามวันมันคงตายแน่ เออเราเอาต้นพุดซ้อนไปลงทึงมุมสวนตรงนั้นถ้าจะดีใช่แล้วต้องวางอ่างอาบน้ำนกประดับไว้ตรงหน้าด้วยเห็นจะต้องไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้แล้วหละทั้งหมดนั้นเป็นการเพลิดเพลินในความคิดและการวางแผนซึ่งจะหาความสงบสุขทางจิตใจไม่ได้เลยคนทำสวนที่มีปัญญาพิจารณาว่า เราทำงานมานานพอแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้สุขสันาญชื่นชมดอกผลจากน้ำพักน้ำแรงของเราบ้าง น, นั่งเงียบๆหาความสงบใจแม้ว่ายังมีหญ้าที่จะต้องตัดใบไม้ที่จะต้องโกยและอื่นๆอีกมากมายแต่เก็บไว้ก่อนเถอะไม่ใช่เดี๋ยวนี้วิธีคิดที่ชาญฉลาดนี้ ทำให้เราหาความสุขสำราญจากสวนของเราได้แม้ว่ามันจะยังไม่สวยเลิศ ก, ก็ตามอาจจะมีพระญี่ปุ่นแก่ๆองค์หนึ่งซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้พร้อมจะกระโดดออกมาเพื่อบอกเราว่าสวนเก่าๆที่ยังรกๆอยู่นี้สวยงามที่สุด ถ้าเรามองงานที่เราได้ทําไปแล้วแทนที่จะเพ่งมองแต่งานที่ยังรอให้เราทําอยู่เราอาจจะเข้าใจได้ว่าเท่าที่ทําแล้วก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเราจดจ้องเพ่งหาแต่สิ่งที่ยังบกพร่องและสิ่งที่รอให้เราแก้ไขเช่นเดียวกับกรณีกําแพงอิฐในวัดของอาตมาเราจะไม่รู้จักความสงบสุขใจเลยในชีวิตนี้ ทำสวนผู้มีปัญญาใช้เวลาราวสิบ้านาทีหาความสุขจากความสงบท่านกลางความไม่สมบูรณ์แบบของธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่คิดไม่วางแผนไม่รู้สึกผิดเราทุกคนสมควรที่จะก้าวออกมาจากสิ่งที่กำลังทำอยู่บ้านเพื่อหาความสงบสุขและคนรอบๆข้างเราก็สมควรที่จะได้รับความสงบสุขเช่นกัน จากการที่เราหลีเล้นจากเขามาหลังจากช่วงเวลา15นาทีที่มีความสำคัญยิ่งต่อ ก, การยืดชีวิตของเราด้วยการออกจากสิ่งที่ทำเราก็กลับมาทำงานทำสวนตามหน้าที่ของเราต่อไปเมื่อเราสามารถเข้าใจวิธีการที่จะได้รับความสุขสงบจากสวนของเราแล้ว เราก็ย่อมรู้จักที่จะหาความสุขสงบได้ทุกเวลาและทุกสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะรู้จักหาความสุขสงบจากสวนในใจของเราแม้ว่าหลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่ามันยังมีอะไรอยู่รงรังและมีอะไรอีกมากมายเหลือเกินที่จะต้องจัดการก็ตาม รู้สึกผิดและการให้อภยัยสองสามปีที่แล้วมีหญิงสาวชาวออสเตรเลียนคนหนึ่งมาพบอาตมาที่วัดในเมืองเพิรพระนัทก็ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆของคารวาสเสมอคงจะเป็นเพราะพวกเราราคาไม่แพง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 รู้สึกผิดที่ความรู้สึกผิดนั้นประทับอยู่ในใจจิตใจมนุษย์ ก, ก็ซับซ้อนสับสนเช่นนี้แหละเพียงแค่เราเข้าไปจัดการกับเจ้าความรู้สึกผิดขั้นแรกโดยยอมรับว่ามันเป็นการสมควรแล้วที่เธอจะรู้สึกผิดเราจะสามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาของเธอได้ เราจะจัดการอย่างไรดีในพุทธศาสนามีภาษิตที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้จงจุดเทียนไขเพื่อให้ได้แสงสวา่างแทนการบนคร่ำครวญว่ามันมืดย่อมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้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 จริงหรือที่การนั่งสมาธิสามารถทำให้ตัวลอยได้อาตมาจึงเข้าใจในบัดนั้นเองว่าเหตุใดบรรดานักโทษทั้งหลายจึงแห่ากาันมาฟังอาตมาพูดพวกเขาต้องการเรียนรู้เรื่องสมาธิภาวนาเพื่อจะสามารถทําตัวให้ลอยจนหอะข้ามพ้นกาแพงคุกไปได้อาตมาบอกเขาว่ามันเป็นไปได้แต่ก็จะพาะกับนักปฏิบัติบางคน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 เรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนห้องขอเด็กนักเรียนห้องขอ เมื่อหลายปีก่อนมีการทดลองอย่างลับๆเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษที่โรงเรียนนี้เขาแบ่งนักเรียนที่อยู่ชั้นเดียวกันออกเป็นสองห้องเรียนมีการสอบประจำปีตอนปลายภาคการศึกษาเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนสำหรับปีการศึกษาหน้าโดยจะไม่มีการประกาศผลสอบให้ผู้ใดทราบ เฉพาะคุณครูใหญ่และนักจิตวิทยาเท่านั้นจึงจะทราบความจริงเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับเด็กที่สอบได้ที่4และที่ห้าแและ9 12และ13ตามลำดับส่วนเด็กที่ได้ที่สองและสถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับเด็กที่สอบได้ที่6และที่7 10และ11ตามลำดับ สามารถกล่าวได้ว่าด้วยวิธีการแบ่งเช่นนี้เด็กๆทั้งสองห้องมีความเท่าเทียมกันในด้านความสามารถคุณครูผู้สอนเด็กๆในปีการศึกษาหน้าถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมกันแม้แต่อุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนทั้งสองก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันที่สุดยกเว้นสิ่งเดียว คือห้องเรียนหนึ่งถูกเรียกว่าห้องกอส่วนอีกห้องหนึ่งได้ชื่อว่าห้องขอความจริงห้องเรียนทั้งสองนั้นมีนักเรียนที่มีความสามารถพัดเทียงกันแต่ความรู้สึกของทุกคนนักเรียนห้องกอเป็นเด็กฉลาดส่วนนักเรียนห้องขอไม่ค่อยจะฉลาดนะักผู้ปกครองบางคนข อ, อนักเรียนห้องกอ ทั้งประหลาดใจและพอใจที่ลูกๆของตนสอบได้ดีมากเลยตอบแทนด้วยการให้รางวัลและคำชมเชยยกย่องในขณะที่ผู้ปกครองบางคนของนักเรียนห้องขอดุว่าลูกของตนว่าขี้เกียจทำงานหนักไม่พอแล้วตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยให้ลูกเสียแม้แต่คุณครูห้องขอก็สอนนักเรียนห้องขอ ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากห้องกอคือไม่คาดหวังอะไรนักหนาจากนักเรียงของตัวภาพหลวงตานี้ถูกรักษาไว้อย่างเป็นความลับตลอดปีการศึกษาจนกระทั่งถึงการสอบปลายภาคผลสอบที่ปรากฏ ไม่รู้สึกหนาวได้ทีเดียวแต่ไม่น่าประหลาดใจนะักนักเรียนห้องกอทำสอบได้ดีกว่านักเรียนห้องขอมากราวกับว่านักเรียนห้องกอในปีนั้นเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสูงครึ่งแรกของชั้นเรียนในการสอบประจำปีการศึกษาที่แล้วเขาได้กลายเป็นเด็กนักเรียนห้องกอไปจริงๆส่วนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งนั้น แม้ว่าจะมีความสามารถทัดเทียมกับนักเรียนห้องกอในปีที่แล้วบัตรนี้ก็ได้กลายเป็นนักเรียนห้องขอไปจริงๆตามคําบอกย้ําตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยวิธีปฏิบัติที่ได้รับจากคนรอบข้างได้ด้วยความเชื่อที่เขาคิดว่าเขาเป็นจึงกลายมาเป็นสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ น, อ, นปปาอาตมาบอกสหายนักโทษคนคุกของอาตมาว่าจงอย่าได้คิดว่าตัวเองเป็นอาจยากรแต่เป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ได้เคยก่ออาญากรรมเท่านั้นนั่นเพราะถ้าเขาถูกย้ำว่าเขาเป็นอาจยากร ปฏิบัติด้วยเยี่ยงอาจยากรและถ้าเขาเชื่อว่าเขาเป็นอาจยากรเขาก็จะกลายเป็นอาจยากรไปจริงๆเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดเ <driveway S 2> ด็กน้อยคนหนึ่งทํากล่องนมหล่นบริเวณช่องทางเดินในซุปเปอร์มาร์เกต็ตกล่องนมแตก และนมหกกระจายไปทั่วพื้นแม่ของเขาดุว่าเจ้าเด็กโง่ที่ช่องทางเดิมถัดไปเด็กอีกคนหนึ่งก็ได้ทำกล่องน้ำพึ่งหล่นแตกจนน้ำพึ่งหกไปทั่วพื้นเช่นกันแม่ของเขาบอกว่าลูกช่างทำอะไรโง่โง่เช่นนั้นนะเด็กคนแรกถูกตราหน้าว่าเขาเป็นคนโง่ ส่วนเด็กอีกคนหนึ่งเพียงถูกเที่ให้เห็นถึงการกระทําที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งของเขาเท่านั้นเด็กคนแรกอาจจะกลายเป็นคนโง่งไปจริงๆขณะที่เด็กอีกคนจะเรียนรู้ที่จะหยุดการกระทําที่ผิดพลาดได้อาตมาถามสหายคนคุกของอาตมาว่าเขาได้ทำอะไรอื่นๆบ้างในวันที่เขาก่ออาชญากรรม เขาได้ทําอะไรบ้างในวันอื่นๆในปีนั้นเขาได้ทําอะไรบ้างในปีอื่นๆในชีวิตของเขาแล้วอาตมาก็ได้เล่าเรื่องกําแพงอิดของอาตมาให้เขาฟังมีอิด ก, ก้ออื่นๆในกําแพงที่เป็นตัวแทนของชีวิตเรานอกเหนือจากส่วนที่ผิดพลาด ตามความเป็นจริงแล้วอิด ก, ก้อนดีๆมักจะมีมากกว่าอิด ก, ก้อนไม่ดีหลายเท่านักดังนั้นเขาเป็นกำแพงที่น่าเกลียดจนน่าจะถูกทุบทิ้งหรือเปล่าหรือเขาเป็นกำแพงที่ดีใช้ได้ซึ่งมีอิฐวางไม่เข้าที่เข้าทางเพียงสองก้อนเท่านั้นเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละ สองสาเดือนหลังจากที่อาตมาต้องรับหน้าที่เจ้าอาวาสจนต้องหยุดการไปเยี่ยมเยียนคุกต่างๆอาตมาได้รับโทรศัพท์จากผู้คุมนักโทษคนหนึ่งเขาอยากให้อาตมากลับไปอีกคำชมเชยของเขาทำให้อาตมาประทับใจไม่มีวันดืมเขาบอกว่า เราสหายคนกุ๊บลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมานั้นเมื่อครบกำหนดการจองจำแล้วไม่เคยหวนกลับมาเข้ากุ๊บอีกเลย จิตกันทั่วนหน้าเรื่องที่แล้วอาตมาได้เล่าเกี่ยวกับลูกศิษย์ของอาตมาในคุกแต่เนื้อหาของเรื่องสามารถประยุกต์ใช้กับใครๆก็ได้ที่กําลังถูกจองจําอยู่ในเรือนจําแห่งความรู้สึกผิดความผิดที่เรารู้สึกอยู่สิ่งอื่นๆที่เราได้ทําในวันนั้นปีนั้นและในชีวิตนี้ เรามองเห็นก้อนอิฐอื่นๆในกำแพงหรือเปล่าเราสามารถมองเห็นอะไรๆนอกเหนือจากการกระทำผิดพลาดที่เป็นเหตุให้เรารู้สึกผิดนี้หรือไม่ถ้าเรายึดมั่นอยู่กับการกระทำแบบนักเรียนห้องขอนานเกินไปในที่สุดเราอาจกลายเป็นนักเรียนห้องขอไปจริงๆซึ่งจะเป็นเหตุให้เราทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสะสมความรู้สึกผิดมากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อใดที่เราได้เห็นภาคอื่นๆของชีวิตเราเห็นอีกก้อนอื่นๆในกำแพงเมื่อนั้นเราจะได้มุมมองที่ตรงตามความเป็นจริงเกิดปัญญาเข้าใจซึ่งราวกับดอกไม้บานในใจเราทุกคนควรได้รับการให้อภัย จงปล่อยวางความรู้สึกผิดตลอดการขั้นตอนที่ยากที่สุดของการเดินทางออกจากความรู้สึกผิดคือการที่จะทำให้ตนเองเชื่อมั่นว่าเราสมควรจะได้รับการให้อภัยเรื่องที่เล่าเล่ามาทั้งหมดนั้นสามารถช่วยเราได้ แต่ขั้นตอนสุดท้ายที่จะหลุดจากเรือนจำนั้นต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู po ้เดียวเพื่อนคนหนึ่งของอาตมาเมื่อครั้งที่เขาอย่างเล็ก กำลังเล่นอยู่กับเพื่อนที่เขาสนิทที่สุดบนสะพานยาวที่ยื่นไปในน้ำด้วยความคลึกกระงนขากผลักเพื่อนของเขาตกลงไปในน้ำเพื่อนจมน้ำตายตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกผิด ซึ่งกัดกร่อนจิตใจเขาพ่อแม่ของเพื่อนที่จมน้ำตายอาศัยอยู่ข้างบ้านเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความสำนึกว่าเขาเป็นผู้ครากชีวิตลูกชายของท่านทั้งสองไปและแล้วเช้าวันหนึ่งเมื่อเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟัง เขาจึงได้เข้าใจว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกผิดติดต่อไปแล้วเขาได้เดินออกจากเรือนจำที่เขาสร้างขึ้นมาเองไปสู่อิสรภาพที่แสนจะอบ อ, อุ่นในที่สุด